สันโตสัติเตระตาแปลว่าสัตบุรุษย่อมยินดีในการเกื้อกูลสัตว์โลกสัตบุรุษมีอยู่มีรูสูนย่อมเกื้อกูลสัตว์สร้างทางกุศลมีคุณธรรมนำหน้ารักษาตนสงเคราะห์ชนสัมสัตว์อยู่อัตราสัตบุรุษพุทธชนอยู่หนไหนไม่มีภัยโทษผิดเป็นมิจฉาช่วยอุ้มชูหมูสัต วัฒนาปลูกศรัทธานมนาวทุกดาวแดนสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมมจายอดรายงานตัวครับมาคุยกันถึงเรื่องจากพระไตรปิฎกนั่นก่อนเอานิทานจากพระไตรปิฎกนะครับที่กล่าวถึงว่าความดีในคนดีทำง่ายแต่ความชั่วนี่คนดีทำยากที่หมู่บ้านมัจฉละซึ่งอยู่บริเวณเมืองราชครื้ มีกลุ่มบุคคลผู้บำเพ็ญประโยชน์อยู่กลุ่มหนึ่งเป็นผู้ชายลว้วนๆเลยสามสิบสามคนมีมัคคมานพนี่เป็นหัวหน้ากลุ่มมคมานพนี่เป็นชาวบ้านมัจฉร ะ, ะเกิดในตระกูลเศรษฐีใจบุญชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอเป็นคนรูปลอมีปรรยาสี่คนคนที่หนึ่งชื่อสุธรร ม, มาคนที่สองชื่อจิตตาคนที่สามชื่อนันทาและคนที่สี่ชื่อสุชาดา หลังจากที่มีครอบครัวมีบุตรธิดาสืบประกูลแล้วมคคา ม, มนพก็ขวนขวายในการให้ทานรักษาศีลนอกจากทําเองแล้วยังชวนให้คนอื่นร่วมทําด้วยที่หมู่บ้านมัมมจฉละ ม, มีครอบครัวใหญ่ฐานะดีอยู่สามสิบสามครอบครัวรวมทั้งครอบครัว ข, ของมัคคามานพนี่แหละครอบครัวพวกนี้ใกล้ชิดสนิทสนมกันมากคราวใดที่หมู่บ้านจัดงานหรือว่ามีกิจกรรมต้องทําร่วมกันก็จะม า, ราพร้อมกันที่กลางหมู่บ้าน วันหนึ่งที่หมู่บ้านมีงานผู้คนจากครอบครัวทั้งสามิบามครอบครัวนี้ก็มาร่วมงานกันอย่างพร้อมหน้าขณะที่กําลังจับกลุ่มยืนคุยกันอยู่นั้นมคคามานกก็เอาเท้าเกลี่ยดินตรงที่ยืนอยู่จนราบเรียบก็ปรากฏว่าเดี๋ยวเดียวเพื่อนคนหนึ่งที่จํานวนนั้นก็มายืนอยู่ด้วยเพราะว่าตรงนั้นมันเรียบยืนสบายมคคามานกก็ถอยไปยืน อ, อีกที่หนึ่งก็ทําอย่างเดิมคือคุยไปก็เอาเท้าเกลี่ยดินตรงที่ยืนให้ราบเรียบแล้วก็เป็นมือนอย่างเดิมก็คือมีหนึ่งในจํานวนนั้นขยับมายืนด้วย ม, มัคคมมนก็คิดเออทุกคนจนะชอบความสบายต่อมาก็เลยให้สร้างปรมขึ้นไว้กลางหมู่บ้านเพื่อให้คนทั้งหลายที่ผ่านไปมาได้เข้ามาแวะพักเมื่อมีคนมาแวะพักมากขึ้นเขาก็สั่งให้รื้อปรมออกแล้วก็สร้างศาลาแทนศาลาหลังนั้นแน่นหนาแข็งแรงมีแผ่นกระดานสําหรับรองนอนแล้วก็มีที่นั่งปูไว้พร้อมแถมยังมีตุ่มน้ําใส่ไว้ให้ดื่มเวลาหิวกระหายด้วย มคมนกบำเพ็ญประโยชน์อยู่ยาวนานและต่อเนื่องจนชายสามสิบสองคนจากครอบครัวสามสิบสองครอบครัวนั้นเห็นคุณค่าก็อาสามาร่วมงานค่ะมคมนกก็ไม่ขัดข้องแต่มีเงื่อนไขขอให้รักษาศีลห้าด้วยซึ่งปรากฏว่าทั้งหมดก็ยินดีรับเงื่อนไขแล้วนับแต่นั้นมาทั้งสามิบสามคนก็ได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์แก่หมู่บ้านของตัวเอง งานสาธารณประโยชน์ที่ชายสามสิบสามคนร่วมกันทำนั้นก็คือเชา้าตื่นขึ้นมาพวกเขาก็จะถืออุปกรณ์อาทิเช่นมีดบางขวานบ้างแล้วก็เครื่องทุบดินทุบหินไปสำรวจดูสถานที่ต่างๆหากพบว่าที่ไหนเป็นที่ลุ่มหรือว่าเป็นหล่มลึกก็จะช่วยกันทุบหินแล้วก็กลิ้งไปถมตรงนั้นที่ไหนมีต้นไม้ขึ้นขวางยุ้ยานพาหนะก็จะช่วยกันตัดทิ้งที่ไหนเป็นที่ครุขระก็ช่วยกันเกลี่ยให้เรียบ ที่ไหนเป็นโคลนตมก็จะช่วยกันสร้างสะพานให้คนหรือสัตว์เดินข้ามทั้งยังได้ช่วยกันขุดสระน้ําเพื่อให้คนและสัตว์ได้ใช้ดื่มกินและสร้างศาลาให้คนได้มาพักอาศัยนอกเหนือจากนั้นทานศีลที่เคยบําเพ็ญมาก็ยังคงทําอยู่อย่างต่อเนื่องนอกจากชักชวนเพื่อนบ้านสามสิบสองคนให้บําเพ็ญประโยชน์ให้ทานรักษาศีลแล้วมคมนกก็ยังชักชวนชาวบ้านอมัจฉระทั้งหมดให้ให้ทานรักษาศีลด้วย ยกเว้นหัวหน้าหมู่บ้านเท่านั้นที่เขาไม่สามารถชักชวนได้มิหนำซ้ายังตั้งตัวเป็นปรปักษ์กับมขมานพ์อีกด้วยมันจะทำให้เราลำบากอ่ะเมื่อก่อนนี้ชาวบ้านเข้าป่าล่าเนื้อต้มเหล้ากินกันเราเองก็สุขสบายได้กินทั้งเหล้าทั้งเนื้อเพราะชาบ้านเอามาให้เราเป็นของกำนันเพราะรู้ว่าเราชอบแล้วต้องการจะเอาใจเรา จะมาตอนนี้จะมาคมานบมันมาชวนชาวบ้านให้รักษาศีล้วยเลิกฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแลยอดเลยที่นี่เราทั้งเล่าทั้งเนื้อหัวหน้าหมู่บ้านก็เก็บความแค้นไว้เต็มอกและหาทางแก้แค้นอยู่ตลอดเวลาในที่สุดก็พบทางแก้แค้นเขาเข้าไปไหวพระเจ้ามาคตแล้วก็กราบทูลถวายรายงานตามแผนที่วางไว้ขอเดชะระยะนี้หมู่บ้านมันจระของข้าพระองค์ไม่สงบสุขเสียแล้วร่ะพะยะค่ะ ทำไมล่ะโจรมันชุมเหลือเกินล้วบรรยาคาศเที่ยวปล้นข่าชาวบ้านไม่เว้นแต่ละวันอ้าวแล้วทําไมเจ้าไม่จะ ก, การปราบปรามซะละ่ะก็ข้าพระองค์ก็คิดปราบอยู่เหมือนกันแต่ควรจะได้รับพระบรมราชาอนุญาตจากพระองค์ซะก่อนนะพระเจ้าค่ะเอาสิเอาตกลงข้าอนุญาตเจ้ารีบไปจับตัวมันไห้ข้าดูหน่อยดิเมื่อได้รับพระบรมราชาอนุญาตแล้วหัวหน้าหมู่บ้านก็รีบไปดําเนินการทันทีก็ตั้งข้อหามคมนกับเพื่อนอีก สามสิบสองคนว่าเป็นโจรแล้วสั่งให้บริวารจับตัวมัดแขนไพล่หลังนำไปเฝ้าพระเจ้ามาคตขอเดชะข้าพระองค์จับโจรมาได้แล้วพระเจ้าค่ะเอาละดีมากเอ่อยังไม่ทันได้สอบสวนเึ่งความผิดของชายสามสิบสองคนนั้นก็ทรงรับสั่งให้ลงโทษทันทีเอาวันไปช้างเหยียบน่ะนับแต่วันที่ถูกจับมาถึงวันที่ถูกสั่งประหารชีวิต มาคนมนบนพได้รู้สึกตกใจกลัวตายเลยแม้แต่น้อยเพราะเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของตัวเองขณะที่ถูกพาตัวไปสู่ที่ประหารเขาเตือนเพื่อนทั้งสามสิบสองคนให้ระลึกถึงความดีที่ได้สั่งสมมาและให้แผ่เมตตาให้แก่หัวหน้าหมู่บ้านผู้คิดร้ายด้วยพระเจ้ามคธผู้สั่งให้ประหารชีวิตด้วยแล้วก็ช้างตัวที่จะมาเหยียบรวมทั้งแผ่เมตตาให้ตัวเองด้วยอย่างเสมอภาคกันเพื่อนทั้งสามิบสองคนก็ทำตามที่เขาแนะนำ เพชฌฆาตนำตัวมคมานพและเพื่อนร่วมงานไปให้นอนรวมกันที่สนามหลวงแล้วก็เอาเสื่อลำแพนคลุมครั้นได้เวลาประหารก็ปล่อยช้างออกมาหเหยียบมคมานพและเพื่อนร่วมงานต่างแผ่เมตตาอยู่ตลอดเวลาอานุภาพของเมตตาส่งผลให้ช้างไม่กล้าเข้าใกล้แม้จะถูกใส่ให้เข้าไปก็ต้องพังอะกลับแล้วก็ร้องเสียงหลงวิ่งหนีไปเมื่อช้างเชือกแรกทำไม่สาเร็จเพชฌฆาตก็นําช้างเชือกอื่นมาทําหน้าที่แทน ผลก็ออกมาเหมือนเดิมก็คือช้างฆ่าไม่ได้แม้จะนำช้างเชือกแล้วเชือกเล่ามาก็ไม่สำเร็จผลเหมือนเดิมจนเพชฌฆาตอ่อนใจและนําความไปกราบทูลพระเจ้ามาคดไทยสงราบเอยสงสัยว่าไอ้โจรพวกนี้มันคงจะมีของดีอยู่ที่ตัวระมังพระองค์คิดแล้วก็รับสั่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจค้นตามตัวของมาคมานพแล้วก็เพื่อนร่วมงานเจ้าหน้าที่ก็ไปถวายรายงานพอตรวจค้นแล้วไม่มีแล้วเจ้าฌฆา S <S เอ้รู้ว่ามันเล่นคาถาว่ามันเล่นของอ่เปล่าพระเจ้ามาคตรคิดแล้วก็ตรัดให้เจ้าหน้าที่สักถามมาความจริงจากมามคัมานพแล้วก็เพื่อนมาคัมานพก็ยอมรับนะใช่แล้วพวกข้าพเจ้าไร้มนเจ้าหน้าที่ก็นําความที่มาคัมานพยอมรับเนี่ยไปกราบทูลพระเจ้ามาคตรพระเจ้ามาคตรทรงสนพระไทยก็รับสั่งนําตัวให้มาเฝ้าทั้งหมดเลยเขตรัดบอกให้ไร้มนให้พระองค์ฟัง มคมาคนพ ก, ก็บอกว่าขอเดชะพวกข้าพระองค์ไม่ได้ไล่มนอะไรหรอกนอกจากทําความดีเจ้าทําความดีอะไรมีระบบโจนอย่างเจ้าจะทําความดีขอเดชะพระองคอ์โปรดตั้งพระไถยสดับเจ้าข้าพระองค์จะเล่าถวายจากนั้นก็เล่าถวายว่าพวกข้าพระองค์ทั้งหมดรักษาศีลไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดเท็จไม่ดื่มน้ําเมามีแต่เจริญภาวนาให้ทาน หากถางทางเดินให้ราบเรียบเพื่อให้คนและสัตว์เดินไปเดินมาได้สะดวกขุดสระน้ําเพื่อให้คนและสัตว์มีน้ําไปดื่มกินสร้างศาลาเพื่อให้คนได้อาศัยแวะพักพวกข้าพระองค์ทำความดีอย่างนี้เสมอมานี่แหละคือมนต์ที่พวกข้าพระองค์ร่ายอยู่ในชีวิตประจําวันหากพวกข้าพระองค์จะถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกโจรก็เพราะเหตุนี้แหละแต่ไม่ได้เป็นโจนปรปล้นฆ่าทําให้คนอื่นเดือดร้อนอย่างที่ถูกกล่าว ห, หาหรอกพปเถะค่ะอา้าว เอ๊ะยังงั้นพวกเจ้าก็ไม่ใช่โจร น, นะสิเอ๊ไอหัวหน้าหมู่บ้านนี่ฮะเอ็งใส่ร้ายเขานี่เออใช่หรือเปล่ารับมาตรงๆนะเปิบพยากาักหัวหน้าหมู่บ้านทูลรับคําอย่างจนแต้มแต่ก็ไม่วายทูลขอความเห็นใจจากพระเจ้ามาคตโดยเผลอเล่าเรื่องรา ว, ราวการเสียประโยชน์ทังตัวอ่าให้ทรงรับทราบ โอ้เจ้านี่เลวมากจริงๆข้าตั้งให้เจ้าเป็นผู้ปกครองคอยดูแลทุกสูงของชาวบ้านแทนข้าแต่เจ้ากลับใช้อำนาจที่มีอยู่ไปเบียดบังหาผลประโยชน์ใส่ตัวและเบียดเบียนชาวบ้านให้เหรือร้อนเจ้าทําความชั่วมามาก็ควรจะได้รับผลตอบแทนพอๆกันนับจากนี้ไปค่ะขอปลดเจ้าออกจากตําแหน่งแล้วตั้งเจ้ามัคมานพเป็นหัวหน้าหมู่บ้านแทนเจ้าและเจ้าพร้อมด้วยลูกเมียต้องมาเป็นทานรับใช้เจ้ามัคมานพด้วย นับแต่นั้นมามคมานพก็ได้เป็นหัวหน้าหมู่บ้านมัจระโดยมีเพื่อนร่วมงานทั้งสามสิบสองคนเป็นผู้ช่วยเหลือทั้งหมดยังคงตั้งหน้าตั้งตาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์อยู่ตามเดิมจนตลอดอายุไขชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนทำความดีนั้นแม้จะมีอุปสรรคขัดขวางแต่ถ้าไม่ท้อถอยยังคงมุ่งมั่นทาความดีต่อไปก็สามารถเอาชนะอุปสรรคได้ในที่สุดและผลแห่งความดีก็จะตอบสนองอย่างเต็มที่ เหมือนมคมนพและเพื่อนร่วมงานได้รับผลแห่งความดีหลังจากที่อุปสรรคผ่านพ้นไปแล้วครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับวันนี้จะเล่าถึงเรื่องจากพระไตรปิฎกตอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเกิดเป็นพระวิทูลบัณฑิตครับ ครั้งนั้นมีพรามสี่คนคบหาเป็นมิตรกันเสร็จแล้วก็ออกบวชเพราะว่าเบื่อในทางโลกีก็มีชาวบ้านเลื่อมใสกันทั่วไปวันหนึ่งมีเศรษฐีสี่คนพบเห็นก็พึงพอใจก็นิมนต์ให้พราหมณ์ไปพักที่บ้านของตนบ้านของแต่ละคนต่างก็ต่างเตรียมสักการะและถวายอาหารอย่างดีไายพราหมณ์ก็พักพรตอนกลางวัน องหนึ่งก็นิมิตว่าไปสู่ดาวดึงองค์หนึ่งก็นิมิต ว, ว, ว่าไปยังพบพญานาคองค์หนึ่งก็ไปยังพบพยาครุตอีกองค์หนึ่งไปยังอุทยานของพระเจ้าโกรพภะเมื่อกลับจากพักผ่อนมาก็เล่าให้เศรษฐีที่อุปการะตนฟังตามที่พราหมณ์แต่ละคนไปพบเห็นมาว่าสมบัติของแต่ละคนในพบนั้นเลื่อเลยอย่างไรหากอยากได้เสวยสุขอย่างนั้นก็ต้องบันทํากุศลไว้ให้มัน เศรษฐีทั้งสี่คนก็ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเมื่อตายไปก็ได้ไปเกิดเป็นพระอินอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงอีกคนไปเกิดเป็นพญานาคในเมืองบาดาลอีกคนไปเกิดเป็นพญาครุฑอีกคนไปเกิดในคันพระมเหสีพระเจ้ากุรัพแล้วก็ประสูติออกมามีพระนามว่าท น, นชัยกูมารเมื่อเจริญชนส า, าขึ้นครองราชพระเจ้าธ น, นชัยก็ทรงรักษาศีล บ, บำเพ็ญทาน ตามที่วิทูลบันดิตถวายพระโอวาทคราวหนึ่งพระเจ้าทานันชัยออกไปถือศีลที่อุทยานในวันอุโบสถบรรดาพญานาคพญาครุฑและพระอินก็มาเจริญสมาธิณอุทยานแห่งนี้ด้วยทั้งสี่คนตา ก, ก็อยากจะระว่าศีลของผู้ใดจะประเสริฐเลิศล้ำยิ่งกว่ากันพญานาค ก, ก็บอกว่าธรรมดาของครุฑนั่นมักจะเขนฆ่านาคอยู่เสมอแต่ข้าพเจ้าเนี่ยสามารถอดทนได้ ไม่ให้เกิดอารมณ์เคืองโกรธศีลของข้าพเจ้าจึงประเสริฐนักพญาครุฑก็เอ่ยว่าข้าพเจ้าอดกั้นความอยากได้สําเร็จเพราะธรรมดาของครุฑย่อมกินนักแต่ข้าพเจ้าอดกั้นได้ศีลของข้าพเจ้าย่อมประเสริฐกว่าพระอินทร์ก็เอ่ยว่าข้าพเจ้าละกามละสมบัติมารักษาศีลได้ศีลของข้าพเจ้าประเสริฐมากมาถึงพระเจ้าธนชัยก็ตรัสบ้างว่าข้าพเจ้าไม่ยึดมั่นในตัณหาไม่กังวลในสิ่งใด ศีลของข้าพเจ้าประเสริฐที่สุดเมื่อทั้งสี่ไม่อาจจะตัดสินยอมกันได้ว่าศีลของผู้ใดประเสริฐกว่ากันทั้งหมดก็พากันไปเล่าความให้พระวิทูรบัณฑิตช่วยกันตัดสินให้กระจ่างวิฑูรบัณฑิตทรงทูลว่าศีลทั้งสี่ข้อล้วนเสมอกันเป็นคุณธรรมเลือดล้ำด้วยเพราะความไม่โกรธคือขันติความไม่ทําชั่วก็คือความดีงามการละกามการไม่ยึดติดกังวลอะไรเนี่ยดีงามเสมอกัน ทั้งสี่พระองค์ได้สดับก็ให้ปิติยินดีพระอินก็พระราชทานผ้าทิพสีดอกบัวเนื้อละเอียดเป็นเครื่องบูชาธรรมพญาครุฑพระราชทานดอกไม้ทองเกสรแก้วพญานาคพระราชทานดอกแก้วมณีพระเจ้าทนันชัยพระราชทานโคหนึ่งพันตัวรถม้าหนึ่งพันคันสวยสิบหกบ้านขั้นด้านพญานาคเมื่อล้ำลากลับบดาันมเหสีวิมลลาเทวีก็ทูลถามหาดวงแก้วที่พระสว พญานาคก็เล่าความให้ฟังพระมเหสียังอยากจะฟังทำแล้วก็พบวิทูลบัณฑิตบ้างแต่คงขึ้นไปเองไม่ได้แน่แก็วางอุบายแกล้งป่วยไข้ร้องทูลขอหัวใจของวิทูลบัณฑิตโดยเจ้า ต, ตัวต้องยินดีมอบให้พญานาคลำบากใจอ้างว่าวิทูลบัณฑิตไม่มีใครได้พบง่ายได้ในวังเองก็มีการอารักขาอย่างแน่นหนาจะพาตัวมาก็ยากเหมือนอย่างสอยพระอาทิตย์ทีเดียว พญานาคก็ได้แตก่กระดกลุ่มเมื่อวิมาลาเทวียังป่วยหนักอยู่อพระนางอิรันทตีพระราชธิดาทราบความก็ทรงอ า, าสาเสด็จแม่ไม่ต้องทรงกังวลหรอกเพคะเรื่องของวิทูลบัณฑิตนี้ขอให้ลูกจัดการเองลูกจะไปยังพบของมนุษย์แล้วก็นําหัวใจของวิทูลบัณฑิตมาถวายให้เพคะครั้นแล้วพระธิดาอิรันทตีก็แต่งองค์ทรงเครื่องงดงามประดับดอกไม้แก้วมณีและเครื่องหอมว่ายน้ําไป ยังการละติดคีรีแล้วก็ขึ้นยืนบนยอดแล้วขับร้องฟ้อนรำในบทอันสนอหูว่าผู้มีปัญญาทั้งปวงทั้งคนทันกินนอนนาคครุดหรือมนุษย์ผู้ใดหากนำหัวใจวิทูลบัณฑิตมาถวายพระมารดาของเราได้เราจะยอมเป็นคู่ครองจนตายยามนั้นยังมียักษ์มีชื่อว่าปุณ น, นกกะผู้เป็นหลานของท้าวเวสสุวรรณ กำลังขีม่ม้าเหาะผ่านมาทางยอดเขาได้ยินเพลงไพเราะและชมงามของพรธิดาก็ทำให้เกิดความหลงใหลเพราะเคยครองคู่กันมาแต่ปางก่อนก็เข้าพบถามความแล้วก็ตกลงจะไปนำดวงใจวิทูลบัณฑิตมาให้ได้ยักษ์บุญกะกลับไปทูลขออนุญาตท้าเวสวร์แต่ขณะนั้นท้าวเธอตัดสินคดีพิพาทของยักษ์ไม่ทันฟังความยักษ์บุญกะก็ทูลลาไปด้วยนึกว่าทรงอนุญาตแล้ว เมื่อปุณกกะเหาะไปถึงเมืองราชกฤืแวะเก็บแก้วมณีมะโหธรบนยอดขาวบันพศไปด้วยแก้วนั้นมีแวววาวพราวรสมีเมื่อเหาะไปถึงอินท ป, ปัตนครก็เข้าไปในพระราชวังไปขอเป้าด้วยสืบทราบมาว่าพระราชาในทรงโปรดการเล่นสกายิ่งนะักก็คิดทูนอุบายทูนท้าแข่งสกาขอเดิมพันคือดวงแก้วดวงหนึ่งและม้าตัวหนึ่ง พระราชาธานันชยัยทรงตรัสว่ามีม้าและแก้วมากมายแล้วแต่ปุณณะที่จำแรงเป็นมนุษย์ก็อ้างว่าม้าและแก้วของตนมีฤทธานุภาพยิ่งนักจากนั้นก็สำแดงให้พระราชาทอดพระเนตรขี่ม้าทยานขึ้นบนกำแพงผีเท้าม้าว่องไวจนไม่เห็นตัวมา้าแม้ทยานลงสระผิวน้ําก็ไม่กระเพื่อมแล้วก็แสดงดวงแก้วให้ดูในดวงแก้วปรากฏเหล่าเทวบุตรและก็นางฟ้าทั้งหน้าครุฑและบนสวรรค์ชั้นต่างๆ พระราชาทอดพระเนตรเห็นอย่างนั้นก็อยากได้ก็ทรงตรัสว่าถ้าพระองค์เป็นฝ่ายแพ้แพ้ก็จะทรงยกราชสมบัติทั้งปวงให้เว้นแต่เพียงตัวพระองค์พระมเหสีลักษเวทฉัตรเท่านั้นครั้นแล้วการเล่นสกาก็ถูกจัดขึ้นที่โรงสภาพระเจ้าทนันชยัยทรงอธิษฐานถึงเทพธิดาที่รักษาพระองค์และสรรเสริญคุณมารดาจากนั้นพระราชาก็เลือกลูกบาศชื่อพาหุลีส่วนปุณกะเลือกลูกบาศชื่อสาวดี ก่อนจะทอดลูกสกาทองคำนั้นปุณกกะได้ขอให้เสนาอัมมัดและกษัตริย์ทั่วทวีปที่มาประชุมกันในวันนั้นได้ร่วมกันเป็นพยานการแข่งขันไม่ให้เกิดการอิดออดบิดพริวถ้ามีการพ่ายแพ้คนทั้งปวงในที่นั้นต่างก็รับคำโดยเมื่อพระราชาทอดลูกบาทลงปุณกกะก็บังคับลูกบาทให้ออกแต้มไม่ดีพระราชาทรงรับลูกบาทไว้ได้ก่อนตกพื้นปุณกกะจึงถลึงตาใสาเทพธิดาและยักษ์ เสนาบดีของเมืองจนตกใจหวาดกลัวหนีไปจนสุดขอบจักรวาลเมื่อโยนลูกบาทอีกผลออกมาแต้มของพระราชาก็พ่ายแพ้ยักษ์ปุณกะก็ประกาศกล้องว่าเราชนะแล้วพระราชาแพ้แล้วจากนั้นปุณกะก็ทูลทวงถามของซึ่งเดิมพันซึ่งผู้ชนะจะต้องได้พระเจ้าธ น, นชัยราชาก็ตรัสว่าพ่อนุ่มเอ้ย เมื่อท่านเป็นผู้ชนะก็จงขนเอาทรัพย์สินแก้วแหวนเงินทองและช้างมา้าทั้งปวงของเราไปซะเถอะข้าแต่พระราชาสิ่งมีค่าเหล่านั้นข้าพระองค์ไม่ต้องการหรอกพระเจ้าค่ะพระราชาสดับอย่างนั้นก็ให้งูงงงนะก็ตรัสถามว่าถ้าเจ้าไม่ต้องการทรัพย์สินเงินทองแล้วยังมีสิ่งใดที่ต้องการอีกเหรอือข้าพระองค์ต้องการตัววิฑูรมันฑิตพระเจ้าค่ะพระราชาก็ทรงตกพระทัยก็ตรัสปฏิเสธ เราเดิมพันนายกเว้นตัวเราด้วยแต่วิทูนบัณฑิตนั้นก็เปรียบเป็นตัวของเราเองจึงไม่อาจจะยกให้ได้หรอกนะขอให้เป็นสิ่งของอย่างอื่นเถอะวิทูนบัณฑิตก็ไม่ใช่รับเขาเราด้วยจงเอาแต่รับเขาเราไปเถอะยักษ์บุญกะจึงให้วิทูนบัณฑิตเป็นผู้ตัดสินเอง โดยถามวิทูลบัณฑิตว่าเป็นทาสของพระราชาหรือว่าเสมอเหมือนพระราชาวิทูลบัณฑิตก็ตอบตามความสัตย์ว่าตนเป็นทาสของพระราชาหากพระราชาจะพระราชทานแทนเดิมพันก็สมควรแล้วยักบุนกะจึงหัวเราะเยาะเย้ยพระราชาว่าตนชนะสกาด้วยแล้วก็ยังได้บัณฑิตไปโดยง่ายอีกด้วยพระราชาทรงพิโรธแล้วก็เสียพระไถยที่วิทูลบัณฑิตส่งไปโดยง่าย จึงตรัสว่าถ้าหากได้อยากได้ก็จงเอาไปแต่ขอให้วิทูลบัณฑิตแสดงธรรมครั้งสุดท้ายจึงตรัสถามถึงความบ่าการประพฤติตัวให้มีความปลอดโปร่งสําหรับผู้ครองเรือนนั้นมีอย่างไรบ้างการจะได้ชื่อว่าเป็นผู้สงเคราะห์ที่ดีนั้นจะต้องปฏิบัติอย่างไรการละเว้นจากการเบียดเบียนผู้อื่นนั้นทําอย่างไรการลาจากโลกนี้ไปอย่างไม่อาวร น, นั้นทําได้อย่างไรบ้างพระวิทูลบัณฑิตก็ทูลถวายโอวาทว่า การทั้งหมดนั้นปฏิบัติได้โดยดังนี้ให้กล่าวคำสัตย์รักษาสัจจะรักษาศีลประพฤติสุจริตเว้นอบายามุขละเว้นการเบียดเบียนไม่ผิดในกามคุณสำรวมกายวาจาไม่กระด้างทนงตนมีอัธยาศาัยนุ่มนวลมีเหตุผลมีสติศึกษาธรรมให้มีปัญญารู้จักแบ่งปันเข้าหาสมณพราหมณ์ผู้ทรงศีลหากประพฤติได้ดังนี้ก็จะทาให้จิตใจสะอาด เมื่อถึงเวลาดับจิตไปโลกหน้าก็มีความทุกอาจจะไม่มีความทุกทรมานอันใดจากนั้นวิทูลบัณฑิตก็ขอเวลาอีกสามวันเพื่อร่ำลาอบรมบุตรภรยาก่อนจากยักษ์ปุณกาก็ตกลงแล้วก็พักในปราสาทชั้นที่เจ็ดของวิทูลบัณฑิตพักอยู่อย่างสุขสบายพร้อมนางสนมห้าร้อยนางมีอาหารและมะโหรีกล่อมบรรเลงชั้นเลิศวิทูลบัณฑิตสั่งสอนทำแก่ลูกเมียให้จงรักพระราชา ให้ตั้งอยู่ในความสุจริตและอดทนรักษาสัตว์ไม่ควรจะขาดจนเสียงานไม่ให้กล้าจนโอหังกวัวอวดดีเกินไปไม่ให้เดินบนทางที่พระราชาเสด็จการกินอยู่นุ่งห่มไม่ให้เทียมพระราชานางสนมกำนันของพระราชาก็ไม่ควรไปตีสนิทชิดใกล้ไม่ให้ดื่มสุรามีไรจนไร้สติไม่ควรเห็นแก่การพักผ่อนจนเสียงานพึงประพฤติตนให้มีคุณประโยชน์ต่อพระราชาทั้งต่อหน้าและรับหลัง เมื่อสามวันผ่านไปจึงถวายบังคมลาพระราชาไปกับยักษ์ปุณกะชนชาเมืองและบรรดาเสนาอำมาตย์ต่างก็โศกาอาดูดโดยทั่ว่ายยักษ์ปุณกะขีม่ม้าเหาะไปในอากาศคิดจะให้วิทูลบัณฑิตถูกกระแทกตายในจะได้ควักหัวใจโดยง่ายก็ขี่ม้าทยานไปในลมโดยแรงแต่ลมก็แหวกเป็นช่องออกด้วยอำนาจศีลและสัตว์วิทูลบัณฑิตตั้งอธิษฐาน บุญกะดึงม้าไปยังภูเขาหวังจะให้ฟาดต้นไม้และหินผาแต่วิทูลบัณฑิตก็ไม่ได้ตกจากม้ากระแทกสิ่งใดยักษ์บุญกะก็คิดในระมิดกายเป็นพญาช้างวิ่งเข้ามาแทงพระวิทูลก็ไม่ได้หวาดหวั่นตกใจกลัวแม้แต่น้อยยักษ์จึงแปลงกายเป็นงูใหญ่มาพันกายแผ่แม่เบี้ยขู่พร้อมกรเกพายุใหญ่พัดสนันเพื่อให้พระวิทูลตกม้าตายพระวิทูลก็ไม่ได้ทรงสะดุ้งสะเทือน ยักษ์ปุณกกะจับพระวิทูลฟาดภูเขาโยนไปสาสิบโยนพระวิทูลก็ไม่ตายไม่ว่าจะทำมหิตริษอย่างใดก็ไม่อาจจะทำอันตรายได้ยักษ์ปุณกกะจึงตัดสินใจจะลงมือฆ่าโดยตัวเองขณะนั้นพระวิทูลจึงเอ่ยนามว่าท่านไม่ใช่มานกหนุ่มธรรมดาจึงมีฤทธิ์มากมายท่านเป็นยักษ์หรือเทวดาฉไหนจึงทำร้ายข้าพเจ้าให้เป็นกรรมแก่ตัวเองอย่างนี้ยักษ์ก็บอกว่าเราชื่อปุณกกะ เป็นยักษ์หลานของท่านท้าเวสุวรรณแล้วยักษ์ปุณกาก็าเล่าความทั้งสิ้นให้ฟังวิทูลมดิตจึงให้โอวาดแกยักษ์ว่าอันสาธุธรรมนั้นมีสี่ประการคือไม่สมควรทำร้ายมิตรหรือว่าผู้ให้น้ำให้ที่พักไม่ควรทำร้ายผู้อื่นไม่ควรลุ้อำนาจกามหรือหลงสตรีจนทำชั่วสมควรจะเดินตามคนที่เดินก่อนและเชื้อเชิญเขาให้รู้จักตอบแทนคุณ เมื่อพระวิทูนอธิบายรายละเอียดให้ฟังจนกระจางยักษ์ปุณกาก็สนึกได้โดยความเข้าใจตลอดและรู้ว่าตัวประพฤติทุกข้อนั้นผิดทั้งสิน้นจึงคิดทราบซึ่งธรรมะปล่อยตัวพระวิทูลแต่เมื่อพระวิทูนยืนยันจะลงเมืองบาดาลยักษ์ปุณกาก็อาสานำพาไปให้กับพญานาะคเมื่อลงไปถึงเมืองบาดาลครั้นเห็นพระวิทูล น, นิ่งเฉยพญานาคก็ทรงกริว้วที่พระวิทูลไม่ถวายบังคม ก็ตรัสถามไถพ่พระวิทูลพระวิทูลก็ตอบว่าฆ่าแต่พญานาคข้าพเจ้าไม่ได้ดูหมิ่นพระองค์แต่ว่าธรรมดาของบัณฑิตจะให้กราบไหว้คนที่จะฆ่าตนได้อย่างไรกันพญานาคสดับฟังก็ทรงพอพระไถ่นะักพระวิทูลทูลถามถึงสมบัติวิมานทิพย์ของพระองค์พญานาคตอบว่าสมบัติทิพย์เหล่านี้ไม่ได้สร้างเองแต่ว่ามีโดยผลบุญในอดีตชาติที่เคยถือศีลบําเพ็ญกุศลตลอดชีวิต พระวิทูรจึงว่าถ้าเช่นนั้นทําไมถึงไม่ทําทานอีกในพบนี้พญานาคจึงว่าว่ในบาดาลไม่มีภิกษุหรือว่าสมมาณพราหมณให้ทําบุญพระวิทูรจึงว่าทําด้วยการแผ่เมตตาจิตก็ได้ไม่ต้องทําทานด้วยวัตถุหรอกการไม่คิดร้ายเอาชีวิตผู้ใดก็คือการแผ่เมตตาจิตแล้วพญานาคจึงทรงให้วิทูรบัณฑิตแสดงธรรมแก่พระนางวิมาลาเป็นที่ทราบถึงเข้าใจแจ่มแจ้งกันเป็นที่น่ายินดี พยานาคจึงตรัสว่าการแสดงธรรมนั่นก็คือหัวใจของพระวิทูลนั่นเองจากนั้นก็พระราชทานพระธิดาให้ยักปุณกะจัดงานพิธีวิวาเฉลิมฉลองยิ่งใหญ่ในบาดาลให้เว้นการดื่มสุราเว้นการประทุษร้ายปล่อยสัตว์จากที่ขังตลอดเวลาหนึ่งเดือนพระวิทูลก็ได้ให้บรรณาการจากบาดาลทุกเดือนและดวงแก้วมณีที่พระธิดาเลยักปุณกะมอบให้ตนก็ยกถวายอย่างพราชาด้วย ด้วยความพักดีจากนั้นก็แสดงทำให้โอวาทแก่ปวงชนด้วยการถือศีลบำเพ็ญบุญตราบจนสิ้นอายุไขคติธรรมเรื่องนี้อยู่ที่เหตุแห่งความพิบัติอ่าก็คือการพนันนะครับและการมีเมตตาจิตย่อมส่งผลให้ได้รับเมตตาจิตตอบด้วยในที่สุดครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจรยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ